ประเทศอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา7นอริกา35นาทีวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเราก็ได้ออกเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้เราก็ได้มานสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอนดีตทางฝรั่งเขาเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยนารันทาแต่ว่าทางของเราเองเนี่ยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเราเรียกกันว่านารันทามหาวิหารคําว่าวิหารนั่นก็แปลว่าวัดนั่นเองในภาษาไทยนี่อาจจะสับสนหน่อยคือเราเอาคําว่าวิหารไปใช้เรียกอาคารหลังหนึ่งในวัดที่คู่กับโบสถ์ แต่ความจริงนั้นเดิมคาว่าวิหารก็หมายถึงที่อยู่ของพระคาว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของพระนี่ก็อาจจะเป็นที่เล็กๆอาจจะเป็นอาคารหลังเดียวก็ได้แล้วต่อมาก็หมายถึงว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของพระทั้งหมดก็เรียกว่าวิหารคาว่าวิหารก็เลยหมายถึงวัดเช่นอย่างเชตวันวิหารที น, นี้ถ้าใหญ่วิหารนั่นก็เป็นมหาวิหารอย่างพระเชตวันนี้ถ้าเรียกว่า เชตวันวิหารก็ยังเล็กไปก็เติมเข้าไปเป็นเชตวันมหาวิหารในสถานที่นี้ก็ทํานองนั้นเหมือนกันก็เป็นวัดก็วัดนี้ก็สืบเนื่องมาแต่พุทธกาลแต่ว่าสําหรับวัดนี้ตามประวัติว่าเริ่มต้นหลังพุทธกาลแต่เราก็ไม่ทราบแน่นอนว่าจะมีมาตั้งแต่พุทธกาลด้วยหรือเปล่าแตว่าที่พอจะสืบได้ก็หลังพุทธกาลแล้ววัดก็ มีเพิ่มจํานวนขึ้นเพิ่มจํานวนขึ้นเพราะพุทธศาสนาก็เผยแพร่กว้างขวางออกไปจนกระทั่งว่าในถึงยุคหนึ่งนี่เมื่อมีวัดจํานวนมากบางทีก็มีการรวมวัดหลายๆวัดเข้าด้วยกันสําหรับนารันทา น, นี่ก็มีประวัติเท่าที่ก็สืบได้ว่าถึงยุคหนึ่งนี่หลังพุทธกาลก็อาจจะใกล้สมัยพระเจ้าอโศกมีการรวมวัดดูจะประมาณ6วัดด้วยกันในอัตมาก็ไม่ยืนยันตัวเลขนี้ มีการล้อมกำแพงให้หกวัดนี้อยู่ในเขตเดียวกันวัดซึ่งแต่ละวัดก็เรียกวิหารวิหารเมื่อรวมกันอยู่ในกำแพงเดียวตั้งหกวัดก็เลยกลายเป็นมหาวิหารคือวัดใหญ่นี่คำว่าวิหารมหาวิหารวัดใหญ่ก็หมายถึงการศึกษาที่เป็นแหล่งสําคัญไปด้วยเพราะว่าคาว่าวัดนั้นมีความหมายนอกจากเป็นสถานที่ทางศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษา วัดในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามก็หลักการของพระพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษาอยู่แล้วเราก็ทราบกันดีว่าตัวข้อปฏิบัติทั้งหมดในพพุทธศาสนานี่เรียกว่าสิกขาศิกขาก็แปลว่าการศึกษาพะฉะนั้นชีวิตของพระนี่อยู่ด้วยสิกขาเวลาพระบวชเข้ามานี่พระประชาท่านก็จะบอก ว่าสีหลังสมรทักขาตังสมาธิสมรทักขาโตปัญญาสมรทักขาตาแล้วก็จะบอกสรุปให้ทราบบอกว่าให้พระเนี่ยตั้งใจศึกษาตามสิกขาสาประการนี้ปวัสักกัดจังอธิศีละสิกขาสิกิจพพาอธิจิตสิกขาสิกิจพภาที่ปัญญาสิกขาสิกิจพภาเนี่ยนี่ชีวิตของพระพอเริ่มต้นบวชอุปชาก็บอกแล้วว่า น, นะให้ตั้งใจนะ ให้ฝึกฝนอบรมศึกษาตามหลักอธิสีน์อธิจิตอธิปัญญาชีวิตพระเป็นการศึกษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวัดก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและยิ่งสมัยพุทธกาลด้วยมีทั้งภิกษุและภิกษุณีเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ช่วยให้คนได้รับการศึกษาทั่วไปเป็นการศึกษามวลชนแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายสตรีก็มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี เรมีพระเถรีที่มีชื่อเสียงเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆเป็นธรรมกถึกเป็นปะหูสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอัครสาวิกามากมายอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์พุทธศาธสนาแล้วนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือว่าการศึกษาในพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ทุกวันนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วบอกว่าจะเป็นคนวันณนะ พราม ก, ก, กษัตริย์ก็ตามวันนะพรามณ์ก็ตามวันณะแพทย์ก็ตามวันณะสูตรก็ตามคือจะเป็นวันณะผู้ปกครองหรือจะเป็นวันณะผู้กระทำพิธีกรรมเป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นกรรมกรเป็นคนรับใช้อะไรต่างๆนี่เข้ามาบวชแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมณศักดิ์จะบวชเสมอกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้เปิดรับคนมาจากทุกชั้นวันณนะ แล้วก็ให้ความเสมอภาค ก, ก็ทําให้ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญพระวัติศาสนรพราหมณ์นี่เขาจะผูกขาดเรื่องการศึกษาอย่างที่กล่าวว่าพระรามเท่านั้นเป็นผู้รักษาทรงพระเวทไว้เป็นผู้สืบต่อกันมาเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ทีนี้วันณะที่จะเรียนได้บ้างก็มีวันละกษัตริย์แล้วก็วันณะรองลงไปก็วันณะแพทย์ผู้พ่อขา แต่วั น, นสูตรนี่ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเลยพวกนอกวันณะคือจันธานนี้ไม่ต้องพูดถึงสําหรับคนวันณะสูตรนี่ถ้าหากว่ามาแม้แต่เพียงฟังพระเวทเขาก็มีบทลงโทษไว้ในคมภีมนูธรรมศาสตร์เป็นหนังสือกฎหมายตําลากฎหมายว่าให้เอาตะกัวหลอมหยอดหูมันถ้ า, ากว่ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสีย ถาหากว่ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองซี่นี่ร้ายแรงขนาดไหนเลยพอมีเรื่องราวในชาดกท่านเล่าถึงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนนอกวันณนะคือเป็นจันทานเขาอยากจะเล่าเรียนศึกษาสมัยก่อนพุทธกาลนั้นแหล่งการศึกษาสำคัญก็คือตากศิลาเป็นดินแดนทิสา ป, ป่าโมกใครๆก็ไปเรียนกันที่นั่นเป็นพ่อค้าเป็นมหากาัตริ์เป็นเจ้าชาย ก็จะต้องพากันไปเรียนที่สำนักทิสาป่ามโมกแต่เขาก็เปิดให้เรียนเฉพาะวันนัสูงเท่านั้นพวกวรนนัสูดเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนวันนัสจันทานไม่ต้องพูดถึงทีนี้มีเรื่องราวที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นคนในวรนนัจันทานก็มีความใคร่ต่อการศึกษาอยากจะเรียนก็ไม่มีทางจะเล่าเรียนก็เลยปลอมตัวไปเข้าในสำนักทิสาป่ามโมกเรียนไปเรียนไปก็มาถึงวันหนึ่ง ก็ไม่สามารถปิดบังชาติกําเนิดของตนได้คือว่าชาติกําเนิดนี่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่แต่พื้นฐานเนี่ยเมื่อไปอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะปกปิดไม่ไหววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเพื่อนจําได้พอเพื่อนจับได้ว่าเป็นคนจันทรานมาร่วมสํานักท่า น, นั้นแหละเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมกันรักใคร่กันดีก็กลับเป็นศัตรูทันทีเลย พร้อมกันจับตัวบ้อมซอมใหญ่ไปการขับไล่ออกจากสันนักมาอันนี้ก็ให้เห็นว่าการศึกษาที่เป็นมาในศาสน า, าพราหมณ์นั้นมีการผูกขาดเรือเกินด้วยลัทธิวัน น, นัพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆ์นี้จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมที่สำคัญก็เปิดรับคนจากทุกวันนะให้มีการศึกษาเสมอภาคการศึกษาก็ได้เจริญขึ้นโดยอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็จเจริญเรื่อยสืบมาแล้วก็วัดนี่แหละก็คือศูนย์กลางการศึกษาเมื่อหลังจากพุทธการแล้วพุทธศาสนาจเจริญขึ้นการศึกษาก็จเจริญขึ้นด้วยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าแหล่งกําเนิดของมหาวิทยาลัยนารันทาก็คือวัดเล็กๆต่างๆที่มารวมกันเข้าที่มีการสร้างกําแพงล้อมรอบประมาณ6วัดรวมเป็นวัดเดียวก่อนก็ลกลายเป็นมหาวิหารแล้วต่อจากนั้นก็ขยายตัวขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัยอันนี้พระราชามหากษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อมีพระมาเล่าเรียนกันอยู่มากก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงจนกระทั่งถึงยุคสมัยหนึ่งนี้พระมหากษัตริย์ก็ให้ทรงเก็บภาษีจากหมู่บ้านกี่หมู่บ้านอาตมาก็ไม่ได้จําแล้วตอนนี้คือไม่ได้ทบทวนบอกว่าให้เอาภาษีจากหมู่บ้านเหล่านั้นมาบำารุงมหาวิทยาลัยนารันทานี้ พระที่มาเล่าเรียนก็สะดวกสบายตั้งใจศึกษาและเรียนกันเต็มที่มาวันไรนารันทาก็ขยายใหญ่โตจกนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเมื่อพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแผ่ไปสารไปตามประเทศต่างๆและมีอาณาจักรในดินแดนอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมีพระสงฆ์จากประเทศเหล่านั้นเดินทางมาศึกษาที่นี่ เช่นอาณาจักรศรีวิชัยปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เป็นมาเลเซียจรนกระทั่ทงถึงตอนใต้ของประเทศไทยถึงทางนครศรีธรรมราชล้วนแต่อยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยตอนนั้นพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากก็มีพระสงฆ์ที่เดินทางมาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนันทานีหรืออย่างที่จีนก็มีที่สําคัญก็หลวงจีนเฮียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพระถังสำมจัง พระถัางาำจางนี่ก็เดินทางมาเรียนที่นี่จบและยังแถมได้เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งด้วยในมหาวิทยาลัยนารันทานี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เลื่องลือนนําความเจริญทางพุทธศาสนากลับไปให้กับประเทศจีนแล้วก็ยังมีจากประเทศทิเบตนะหรือบางท่านจากนี่เองนะ่ะท่านที่เป็นปราชช์ชาวอินเดียเองก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนในประเทศทิเบตแล้วก็ชาวทิเบตเองก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาราันทา รพระาจากนารันทาก็ไปสอนในประเทศจีนเลยรุ้นๆ่แต่ว่ามาถือเอาเมืองนาลันทาหมาหนนาวิทยาลันทานี่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาอันนี้อาตมาก็ขอย้อนกลับไปพูดเริ่มต้นนิดหน่อยว่ากำเนิดของหมหาวิทยาลันธานเนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในถิ่นที่สืบเนื่องกับพระหมหาสาวกองสำคัญคือพระสารีบุตรก็เลยโยงเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเป็นสถานที่ที่เป็นอนุสร์ของพระสารีบุตรไปด้วยเพราะเหตุว่าพระสารีบุตรมหาสาวกเป็นอาาาัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทะคะในทางปัญญาได้ถือกาเนดที่หมู่บ้านนาลันทาเกียวกว่า น, นารันทะขามหรือนาละ ก, กะก็อยู่ในบริเวณนี้แหละเมื่อมหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าได้มีการสร้าง อนุสรสําคัญจะเรียกว่าเป็นสถูปหรือว่าเป็นเจดีย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี้ที่สูงที่สุดนั้นเป็นอนุสร์สถานเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นสถูปที่ลําลึกถึงพระมหาเทระคือภาษาดิบุตรนี้ภาษาริบุตรนั้นก็เรียกว่าการที่มามีมหาลัยนารันทาขึ้นที่นี่ก็เป็นความพอเหมาะอย่างหนึง่ง คือว่ามหาวิทยาลัยนารันทาก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นเรื่องทางปัญญาแล้วก็พอดีตรงกับเป็นที่เกิดของภาษาริบุตรแล้วภาษาริบุตรก็เป็นอ ok ักษรสาวกเบื้องขวาแล้วเป็นผู้เลิศทางปัญญาแล้เลิศทางปัญญาก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย น, นี้ก็สอดคล้องกับความเป็นเลิศของภาษาดิบุตรเป็นแหล่งที่ให้ปัญญาสร้างปัญญาภาษาดิบุตรนั้นก็ ตั้งแต่ท่านยังดำรงชีวิตยอยู่เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะสําคัญอย่างหนึง่งก็คือว่าท่านเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนให้การศึกษาอบรมอย่าลืมว่าภาษาริบุตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้บวชให้พระราหุนสามเณรลาหุนเนรองค์แรกในพุทธศาสนาก็เป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตรภาษาริบุตรดูแลให้การศึกษาอบรมแล้วต่อมา มาถึงประวัติโดยทั่วไปภาษาลิบุตรท่านก็เอาใจใส่ดูแลไปพบเด็กยากจ น, นท่านก็ชวนเอามาเอามาบวชเป็นเนนดูแลให้การศึกษานี่แสดงถึงลักษณะของภาษาริบุตรที่ท่านช่วยเหลือพวกเด็กๆให้มีการศึกษาอันนี้เป็นวัตถปฏิบัติที่เราน่าจะนํามาใช้เป็นตัวอย่างเหมือนกันพระสงฆ์ที่เป็นอาครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของเด็กและเยวาวชนในรูปที่เป็นเนน ไปเอาเด็กๆมาบวชเ น, นเด็กที่ยากจนอะไรต่างๆท่านก็ดูแลก็เรียกว่าตั้งแต่เด็กลูกเจ้าคือพระราหุนไปจนกระทั่งถึงเด็กยากจนที่ท่านไปพบไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจะนุง่งท่านก็เอามาบวชแล้วก็ให้การศึกษาอันนี้เป็นจริยาวัดที่เป็นแบบอย่างของภาษารีบุตรและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอนุสอ์สําหรับภาษารีบุตรนี่ขวนกลับมาถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยนารันทาต่อมา มหาวิทยาลัยนารันทานี้ได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเรื่อยจกนกระทั่งว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยของพระพุทธศาสน า, าก็ว่าได้คือเรามองความเจริญความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดียนี้โดยสัมพันธ์กับประวัติของมหาวิทยาลัยนารัทานทานารันทาเจริญมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดถ้าจะเทียบกับทางยุโรปทางตะวันตกนี่เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยโบโลญญา แล้วก็ปารีตพวกนี้เป็นหมาวิลัยยุคแรกเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้ามาเทียบกับทางหมาวิลัยนารันทาแล้วก็ลวกลายเป็นว่าหมาวิลัยนารันทาของเหล่านี้เป็นหมาวิลัยแรกในโลกก็ว่าได้เกิดขึ้นก่อนนี่หมาวิลัยนารันทาเกิดขึ้นมาแล้วจเจริญสืบมาจนระยะหลังๆมาถึงพศ พ, พันกว่าปีแล้วก็มีมหากษัตริย์ที่มีความร่วมสายในพุทธศาสนาและต้องการทะนุบำรุงการศึกษา ก็ได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนายุคหลังขึ้นมาอีกหลายแห่งด้วยกันซึ่งท่านมหาบุญธรรมก็ได้ออกชื่อให้โยมฟังแล้วเช่นมหาวิทยาลัยวุิกรมสัสสลาโอทันตปุระอะไรเป็นต้นชคคัตท ะ, ะวาเรนทรีอะไรพวกนี้มีหลายแห่งมีมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่เป็นคู่กันกับมหาวิทยาลัยนารันทานีแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าคือมหาวิทยาลัยนารันทานีอยู่มาสมัยหลังนี่ พุธศาสนาจเจริญขึ้นก็มีการแยกตัวเป็นเทราวาทและก็มหายานที่เราเรียกกันว่าหินยานและมหายานก็ปรากฏว่ามหาวิหายนารันทานี้ได้กลายเป็นมหาวิหายที่เน้นหนักในการศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไปมหาวิหารอีแห่งหนึ่งที่อยู่ทางริมทะเลอาตมาตอนนี้นึกชื่อไม่ทันท่านมหาบุญธรรมนึกออกไหมฮะ มหาวหิเลัยที่เน้นทางาเถรวาด ไ, ไม่ใช่ยุคก่อนคือคู่กันกับนารัานธาเนี่ยมีมหาวิเลย์พุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายเถรวาดแตมานึกไม่ทันในตอนนี้เอาไว้ติดประโยชติดก่อนเพราะว่ามันนานๆก็ลืมๆไปชื่อต่างๆนึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างแต่ก็ไปลว่ามหาวหิเลัย์อีกแห่งหนึ่งเนี่ยไปทางเถรวาด ในขณะที่นารันธานี่ได้เน้นหนักไปทางมหาญานตีนี้มหาญานก็จะเลยรุ่งเรืองที่นี่เราก็รู้กันว่าพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตนั้นต่อมาก็ค่อยๆเสื่อมไปจากอินเดียแล้วก็ไปตั้งศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่สีลังกาแม้แต่พุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพ่อกุหลามคำแหงมหาราชก็ได้ไปจากประเทศีลังกาจนกระทั่งเราเรียกกันว่าเป็นลังกาวง ส่วพุทธศาสนาแบบเดิมที่เป็นจากสมัยพระเจ้าอโศกที่ไปถึงประเทศเราโดยทางนครปฐมอะไรนั้นก็เลือนลางจางลงไปก็ได้อาศัยสายใหม่ก็คือสายศรีลังกาที้เข้าไปเป็นสายปัจจุบันนี่เป็นอันว่าพุทธศาสนาสายเทรวาตนี้ก็เสื่อมไปจากประเทศอินเดียอินเดียในยุคหลังก็มีแต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานี่รุ่งเรืองอยู่ แล้วพุทธศาสนาฝ่ายหมหายานเมื่อรุ่งเรืองต่อมามายุคหลังนี้ก็จะมีการผสมผสานกับศาสนาฮินดูคือว่าหลังพุทธการแล้วนีศาสนาพราหมณ์ได้ปรับปรุงตัวเป็นการใหญ่เพราะว่าการจเจริญขึ้นของพุทธศาสนานี้กระทบกระเทือนต่อศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เก่านั้นมากจนกระทั่งเห็นว่าตัวเองจะอยู่ไม่ไหว ก็มีการปรับปรุงตัวการปรับปรุงตัวของศาสนาพราหมณ์ก็วิธีหนึ่งก็คือมาเอาหลักธรรมคาสอนมาจากพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าในบางคำพี์แม้แต่คมภีร์มหาภาระตะที่เป็นคมภีร์สําคัญมากของฮินดูจะเอาหลักคําสอนเช่นในพระธรรมบทไปใส่ไว้ด้วยนะเราจะไปอ่านคำภีร์คมภีร์พระคอตขีตาขอภไยพระคอตขีตาที่เป็นคัมภี์สําคัญ ของเวทานตะของศาสนาฮินดูยุคหลังเนี่ยจะพบคาถาเห็นได้ว่าเอาไปจากพระพุทธศาสนาจากคาถาธรรมบทนอกจากเอาคําสอนไปแล้วก็ยังมีการตั้งวัดและคณะสงฆ์ขึ้นมาเลียนแบบพระพุทธศาสนาคนที่ทําอย่างนี้ก็คือสังฆราชานสังฆราชานี่มี เล่ากันว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันถาดด้วยถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็น่าสนิทฐานว่าคงจะเป็นการเรียนโดยมีแผนการหรือทำนองนั้นคือเรียนเพื่อมาเอาหลักคําสอนและวิธีการของพระพุทธศาสนาไปใช้ไปตั้งคณะสงฆ์เรียนแบบคือศาสนาพราหมณ์เดิมนี่เขาไม่มีคณะสงฆ์พราหมณ์นี่ก็อยู่กับบ้านคลองเรือนมีบุตรมีพัญญา หรือแม้แต่พราหมณ์เดิมสมัยก่อนเขาไม่ครองเรือนแต่เขาก็ไม่มีวัดไม่ได้ตั้งเป็นชุมชนคณะสงฆ์ต่อมาเขาก็มาเรียนแบบเอาตั้งวัดแบบพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีนักบวชอยู่แล้วก็ต่อก็ทำให้เกิดความกลมกลืนและยิ่งสมัยหลังมีกษัตริย์ฮินดูปกครองชาวพุทธเราเป็นคนที่ใจคอมีเสรีภาพแล้วก็ชอบอยู่กลมกลืนกันก็เลยเข้ากันได้นี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนี่เวลา กษัตริย์ฮินดูขึ้นปกครองนี่พอพุทธศาสนาจะได้รุ่งเรืองไปมากแล้วกษัตริย์ฮินดูนั้นก็ไม่กล้าบเบียดเบียนพุทธศาสนาก็ไปถามบํารุงอย่างนารันทานีเขาก็บํารุงด้วยแต่ก็คิดว่าบํารุงในฐานะที่เป็นสถาบัานการศาึกษาเพราะนารันทานั้นก็ไม่ได้เป็นสถ า, ศาสนศึกษาเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อจเจริญขยายตัวออกไปนานๆเข้านี่ก็มีการให้การศึกษาวิชาการทั่วไปทางโลกด้วย มีเช่นอย่างเรื่องดาราศาสตร์เป็นต้นแล้วก็การแพทย์เป็นต้นกฎหมายก็เรียนนั้นวิชาการทั้งโลกก็เรียนกันแล้วก็รับค่ิหัดเข้ามาเรียนด้วยนี่การศึกษาขยายออกไปก็ทําให้เป็นกิจการของรัฐรัฐก็ต้องอุปถรรัมบนั้นกษัตริย์ฮินดูก็มาอุปถรรัมนารัานทา น, นี้ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาแต่ เ, เพราะเหตุที่เข้ามาอุปถัมอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้พระของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยต้อง ไปคล้ายๆว่ามีการเกรงใจพระมหากษัตริย์ผู้บทถมบ้างก็ทำให้คำสอนอะไรต่างๆชักจะกกนเงินกันไปเรื่อยๆกับพวกฮินดูจนกระทั่งต่อมานี่ปรากฏว่าก็จะมีหลักลัทธิต่างๆข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามหายานเนี่ยเข้าไปประสานกับฮินดูเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นทั้งฝ่ายฮินดูเขาก็สร้างหลักทฤษฎีขึ้นมาเช่นอย่าง การที่บอกว่าพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี่มีการอวตารแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นี่เป็นวิธีกลืนแหละให้พระพุทธเจ้านี่เป็นส่วนหนึ่งของพระนารายณ์เขาบอกกบูชาพระพุทธเจ้าได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระนารายณ์นี่เองอวตารลงมาว่าแล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปนี่ไปไว้ในเทวสถานเทวลายฮินดูด้วยเอาไปประกอบพระนารายณ์เอาพระนารายณ์ตั้งตรงกลาง แล้วก็พุทธลูปไปวางข้างข้างอะไรงี้เนี่ยอันนี้ก็ค่อยๆประสานกลมกลืนกันไปแล้วก็มีวิธีการทางฝ่ายพุทธศาสนาเราก็มีการกลมกลืนคําสอนอเพื่อจะให้สนองความต้องการของชาวบ้านมีการสร้างรัตทิพระโพธิสัตว์ขึ้นมามีพระโพธิสัตว์ต่างๆมีพระอวโลกิเตศวรพระมัญชุตรีเป็นต้นเนี่ยต่อมาพระโพธิสัตว์นี้ก็ทําให้เกิดลัตทิที่มีการอ้อนวอน มีการขออำนาจดนบันไดก็คล้าๆกับเทพในศาสนาพราหมณ์มากขึ้นทุกทีก็เลยความกลมกลืนก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าต่อมานี้ก็ถึงกับมีลัทธิตันตระในฮินดูก็มีลัทธิตันตระในพุทธศาสนาเราก็มีลัทธิตันตระเกิดขึ้นก็เป็นพุทธศาสนาที่เราถือว่ายุคที่เสื่อมและตันตระนี่ก็เกิดขึ้นประมาณชัก ตันตระนี่เกิดขึ้นประมาณสักพศประมาณ 2,200 แล้วก็ถือว่าเป็นยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมแล้วต่อมาก็มีตันตระแบบที่เสื่อมลงไปอีกนะจนกระทั่งถือว่าการเสพกรามนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าพขนิพพานได้อะไรต่างๆเหล่านั้นไปก็ลทัทธิอนี้ก็เผยแพร่ออกไปในที่ต่างๆนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมแก่พุทธศาสนาพุทธศาสนาในยุคหลังในกลมกลืกศาสนาฮิน ด, ดูมาก ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เป็นข้อน่าสังเกตก็คือว่าการที่มหาวิทยาลันทานี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระมีพระมาอยู่มากมายเป็นจํานวนหมืน่นพระอาจารย์ที่สําคัญสําคัญมีความรู้ก็มารวมกันอยู่ที่นี่นานๆเข้าเนี่ยก็เกิดผลเสียด้านหนึ่งผลดีนี่ก็มีและอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาแม้แต่ระหว่างชาติใครๆก็ปรารถนาว่าจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยน า, านันทา แต่ในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งความเสื่อมโทรมก็ได้เกิดขึ้นก็คือว่าพระเนี่ยจะมุ่งไหลมายัางศูนย์กลางการศึกษาเข้ามาสู่ตัวเมืองก็ทำให้วัดชนบทนี้อ่อนแอวัดตามชนบทไม่ค่อยมีพระอยู่แล้วไม่ค่อยมีพระที่มีคุณภาพอันนี้ฝ่ายฮินดูก็ตั้งวัดขึ้นมาเรียนแบบพุทธศาสนานะวัดก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีอะไรแต่อะไรก็คล้ายกันเนยะ ต่อมาก็ไม่ค่อยมีพระอยู่พระฮิน ด, ดูก็มาช่วยวัดพุทธบ้างนะมาทําอะไรต่ออะไรให้ต่อมาไม่มีพระอยู่ก็ฮิน ด, ดูก็กลืนไปเลยอะไรทำนองนี้นะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งเป็นความอ่อนแอของพุทธศาสนาในชนบท พ, พุทธศาสนาก็มารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางเมืองใหญ่เมืองเมืองสำคัญแบบนี้แบบมหาวิเลัยนารันทาอันนี้ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของความเสื่อมของพุทธศาสนาแล้วนอกจากนั้นก็คือในการศึกษา ภายในสถาบันเองนี่ไปไปมามาเนี่ยพระหนึ่งก็ได้รับการบทถามบำรุงจากพระราชาแล้วไม่ต้องคอยอาศัายประชาชนเท่าไหร่ <c oughs> ก็อยู่โดยขาดความสัมพันธ์กับชาวบ้านความสัมพันธ์กับชาวบ้านลดน้อยลงแล้วตัวเองก็หันมาสนใจการศึกษาแบบที่เป็นพวกปรัชญาปรัชญาก็มีการถกเถียงกันต่างๆในเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ห่างการปฏิบัติที่แท้จริง นะทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเสื่อมไปตามนี้แท้หมดกบางส่วนก็คงจะยังมีดีอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าโดยความโน้มเอียงโดยความโน้มเอียงจะมีสภาพคล้ายๆอย่างนี้พระจะไปสนใจเรื่องปรัชญาเรื่องถกเถียงปัญหาทางอภิปรัชญากันมาก ความห่างเหินปัจจัประชาชนเกิดขึ้นอันนี้ก็นํามาสึ่ความเสื่อมแก่พระพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นพุทธศาสนาในยุคหลังๆของนารันทานี่ก็จะเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ว่าพุทธศาสนาจากเทรวาดเด่นก็มาเป็นมหายานเด่นจากมหายานในยุคเบื้องต้นก็มาเป็นยุคที่มีลัทธิตันตระลัทธิตันตระก็มีลัทธิตันตระแบบเสื่อมโทมมาก จนกระทั่งถึงพศ 1,700 กองทํามุสลิมก็บุกเข้ามาบุกมานานแล้วเป็นร้อยรอปีเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้ก็แถบโน้นแหละแถบที่เข้ามาทางปากีสถานอัฟกานิสถานบุกเข้ามาทางโน้นก็รบราคาฟันทําสงครามค่อยๆชิงดินแดนได้เรื่อยมาเรื่อยมาเป็นร้อยรปีจนกระทั่งมาถึงแถบนี้ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พอศพันอนี่กองทัพมุสลิมก็ยาตราเข้ามาบุกทาลายหมดเลยมาวิเลยพุทธศาสนาทุกแห่งนี่เขาก็จะเข้าไปฆ่าพระสงฆ์แล้วก็เผาอย่างที่นารันธานี่มีหอสมุดใหญ่ถึงสหอสมุด ต, ตามประวัติว่าเขาเผาอยู่ไม่อยู่เป็นเดือนกว่าจะหมดแสดงว่าใหญ่ตโตมหาาลเหลือเกิน พุทธศาสนาก็สูญสิ้นพระที่ขนคำพีหนีไปได้ก็เอาไปได้บ้างหนีไปทางพ ม, มา่าโดยลงเรือไปแล้วก็หนีไปทางเนปาลทิเบตอะไรพวกนี้หนีกันไปต่างๆก็หมดยุคพุทธศาสนาก็ถือว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นจากประเทศอินเดียเมื่อประมาณพศ 1,700 ันเหมดด้วยอาวุธด้วยคมอาวุธด้วยการสงครามแต่ก่อนที่สงครามจะมาถึงก่อนที่มุสลิมจะทาลายนั้น ก็อ่อนแอแล้วด้วยการที่เข้าไปประสานกลมกลืนกับศาสนาฮินดูนเอามาเมื่อกี้นี้ลืมบอกไปว่าศาสนาฮินดูนี่ความหมายหนึ่งก็คือศาสนาพราหมณ์ที่ปรับปรุงใหม่นั่นเองคือพราหมณ์นี่เขาปรับปรุงตัวใหม่เราก็เรียกกันว่าศาสนาฮินดูเพื่อจะแยกให้เห็นง่ายๆศาสนาฮินดูนี่จะมีหลักคําสอนที่มีหลายส่วนที่ละไม่คล้ายคลึงพุทธศาสนาดึงไปจากพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องหลักอหิงสาที่คนฮินดู ไม่กินพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามาจากอิท ธ, ธิพลาพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์นี่เป็นศาสนาบูชายันจะไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงใช่ไหมศาสนาพราหมณ์เดิมนั่นเป็นศาสนาแห่งการบูชายันเอาอกเอาใจเทพเจ้าเอาสัตว์ทั้งหลายมาฆ่าเนี่ยเช่นเอาแพะหนึ่งร้อยแกะหนึ่งร้อยวัวหนึ่งร้อยในยังสมัยพุทธกาลนี่มีเรื่องในพระสูตรหลายพระสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โนนที่นี่ เจอพระหมหากษัตริย์บ้างแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลที่มีชื่อในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาหรือเจอพรามผู้ใหญ่บ้างกําลังเตรียมประกอบวิธีบูชายันญเอาสัตว์ต่างๆจํานวนอย่างละ500เนี่ยมาผูกมามัดไว้พระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปแล้วก็ทรงสนทนาไต่าถามแล้วก็ทรงสอนคําสอนที่ทําให้เขาเปลี่ยนความเชื่อถือเลิกบูชายัญเน่ยแก้มัดพวกสัตว์เหล่านั้นออกไปนี่เป็นต้นนี่ก็มีเรื่องราวมาในพระสูตร แต่ว่ามาในสมัยหลังนี่ศาสนาฮินดูกลายเป็นศาสนาที่คนไม่กินเนื้อสัตว์นะก็เพราะอิทธิพลพุทธศาสนาอาจจะเป็นได้ว่าพยายามแข่งกับพุทธศาสนาให้เห็นว่าโอ้พุทธศาสนานี่สอนหลักการไม่เบียดเบียนนะฉันยิ่งกว่พวกท่านอีกอะไรทำนองนี้ทําได้ยิ่งกับท่านเป็นการแข่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์คงจะต้องสืบสาวกันเยอะแต่ว่าจากความเป็นมาที่เท่าที่มองเห็นก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็ไปนอันว่าพุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนประเทศอินเดียถือว่าศูนย์สิ้นไปเลยที่มีขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นการลื้อฟื้นขึ้นใหม่ก็เข้ามาจากประเทศอื่นๆมาจากประเทศลังกาบ้างอย่างท่านอนาคาริกธรรมปาละนี่เข้ามาฟืน้นฟูพุทธคยาอีพุทธกยาตอนที่ชาวพุทธจะมานมัสการใหม่เนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วไปตกอยู่เป็นที่ที่ชาวฮินดูยึดครองนักบวชฮินดูเขายึดครองไว้หมดเลย อาณาคาริกธรรมปาระต้องมาต่อสู้อยู่เป็นเวลานา น, านและใช้กําลังใช้ความสามารถความอดทนความเพียรเป็นอย่างมากนั้นพุทธศาสนานี่เป็นอันว่านในอินเดียนี่หมดไปแล้วแล้วก็มาฟื้นฟูกันใหม่นี่เรื่องของนารันทา น, นี้ก็จึงเป็นทั้งหลักฐานที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็เป็น เครื่องแสดงถึงความสูญสิ้นของพุทธศาสนานด้วยเพราะว่าที่นี่ก็ถูกชาวมุสลิมเผาอย่างที่ว่าเมื่อนารันทาสลายหมดแล้วก็พุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนประเทศอินเดียในการสูญสิ้นของพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องเตือนใจทําพุทธว่าประการหนึ่งที่จะรักษาศาสนานไว้ได้ก็คือพุทธบริษัท4ี่ของเราเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงในหลักการของพุทธศาสนาน แล้วจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในศาสนาและจะต้องยึดถือในหลักการอย่างสําคัญเวลานี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือจะมามีความรู้สึกคล้ายๆแบ่งกันเช่นเอ๊เหมือนกับว่าคนที่รับที่จะต้องรับผิดชอบพระพุทธศาสนาก็คือพระเวลาพระทําอะไรไปแล้วโยองก็บอกเออพุทธศาสนานี่ยังไงพระไม่ดีไม่ได้ความไม่นานับถือก็ผ่านจะเลิกนับถือพุทธศาสนาหาได้คิดไหมว่า พระพุทธศาสนาเป็นของบริษัท4พระท่านเสีย เ, เรายังอยู่นี่โยมยังอยู่คารรื้อหัดยังอยู่อุบาสกอุบาสิกายังอยู่อุบาสกอุบาสิกาก็ต้องรักษาพุทธศาสนายามใดที่พระสงฆ์เพียงครัม้มอุบาสกอุบาสิกาจะต้องเป็นหลักกลับมาช่วยฟื้นฟู ร, รักษาพระพุทธศาสนาไว้คติอย่างหนึ่งก็คือการที่วางท่าทีต่อสถานการณ์พุทธศาสนาให้ถูกต้อง เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยชาวพุทธจะต้องมองอีกแบบหนึ่งคือจะต้องมองว่าเออพุทธศาสนานี่เป็นสมบัติของชาวพุทธเป็นสมบัติของประเทศชาติของเราท่านได้มีคุณประโยชน์ทําคุณให้แก่ประเทศชาติสังคมของเรามาทําให้สังคมของเรามีวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองเปสันติสุขมานานแล้วบันนี้พุทธศาสนาของเราตกต่ํามีปัญหาเกิดขึ้น มีปัญหาแล้วเราชาวพุทธจะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยตอนนี้เราจะช่วยพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรเวลานี้ปัญหาจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออพระไม่ดีแล้วไม่ได้ความพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมองว่าเวลานี้พุทธศาสนาของเราเพียงพลัมเราจะช่วยท่านได้อย่างไรก็คือชาวพุทธจะต้องมองในแง่ว่าเราจะช่วยพุทธศาสนาของเราอย่างไรถ้าตั้งท่าทีอย่างนี้เราจะมีความเข้มแข็งขึ้นแล้นี้เป็น ความเป็นมาในอดีตท่าทีของชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะรักษาพุทธศาสนาได้นี่ในการที่จะรักษาพุทธศาสนานั้นนอกจากมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบร่วมกันมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็คือว่าตัวเองจะต้องมีคุณสมบัติเพราะพุทธเจ้าก็ตรัสหลักไว้ให้นี่ในมหาปรินิพพานสูตรพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์จะปรินิพพานต่อเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ตาม พิสุนีก็ตามอุบาทศก็ตามอุบาทศิกาก็ตามทั้งสี่เลยนะเลยพระแม่เมจ้าพ่อพระสงฆ์มีคุณสมบัติสามข้อต่อไปนี้คือหนึ่งโดยส่วนตัวจะต้องมีความรู้เข้าใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องรู้เข้าใจถูกต้องและก็ปฏิบัติถูกต้องนี่ส่วนตัวตัวเองเนะี่ย มี2ตอนคือ1รู้เข้าใจ2ปฏิบัติได้ถูกตอ้องทั้งรู้ทั้งเข้าใจและทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยนี่ต่อไปข้อที่2ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คือว่ามีความรู้เพียงพอและมีเมตตาธรรมมีความเผื่อแผ่มีน้ำใจที่จะแนะนําสั่งสอนธรรมะนั้นแก่ผู้อื่นด้วยเช่นว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เอาธรรมะไปสั่งสอนลูกอบรมลูก เนครูอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์เป็นเพื่อนก็นแนะนําแก่เพื่อนเป็นผู้ใหญ่ก็นแนะนํากับผู้น้อยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นอันนี้ก็จะช่วยทําหน้าที่ต่อสังคมต่อพุทธศาสนาหน้าที่ประการที่2ก็ไปอนว่าทําหน้าที่ต่อผู้อื่นด้วยการที่ว่ามีน้ําใจและมีความสามารถที่จะแนะนําให้ความรู้ธรรมะแ ก, ก่เขาได้ต่อไปประการที่3ก็ในแง่หลักการการรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อมีใครพูดจาผิด พลาดปฏิบัติผิดพลาดเกี่ยวกับพุทธศาสนามีวาทะกล่าวร้ายต่อพุทธศาสนาทําให้พระธรรมวินัยคลาดเคลื่อนนี้ต้องสามารถที่จะชี้แจงแก้ไขได้ท่านเรียกว่ากํำรับปร ะ, ประวาติได้อันนี้เป็นการรักษาหลักการเนี่ยสอย่างนี้แหละพุทธบริษัททุกคนถือว่ามีหน้าที่จะต้องศึกษาจนมีคุณสมบัติอย่างนี้ขอย้ําอีกทีหนึ่งหนึ่งตนเองทั้งรู้และปฏิบัติถูกต้อง สในความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็มีความรู้ความสามารถระมินน้าใจเมตตาที่จะเผื่อแผ่ให้ความรู้ธรรมะแก่เขาและ3ในแง่หลักการก็สามารถรักษาหลักการของพุทธศาสนาชี้แจงแก่ผู้ที่มาพูดเปล่า ร, ร้ายหรือแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อพุทธศาสนาได้ถ้าทุกคนที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัท4เป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสสกเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุเนี่ยมีความสามารถเหล่านี้ แล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบก็จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้แน่นอนเราจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อใดความเสื่อมเกิดขึ้นนี่เข้ามาจนถึงจุดศูนย์กลางก็คือพระพุทธศาสนาที่มาเป็นส่วนของพระเองก็พลอยคลาดเคลื่อนหรือว่าพระเองไม่มีคุณสมบัติเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็จะมีความเสื่อมโทรมลงไปในความเสื่อมนี้จากที่นารันทา น, นี้เราจะเห็นได้ว่า ความเสื่อมนี้เข้ามาถึงตัวแกนกลางเลยศูนย์กลางของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไม่มั่นคงในหลักการของตนเองจึงกระทั่งว่าเข้าไปกลมกลืนกันบรัฐที่ศาสนาอื่นก็ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงไปดังนั้นการที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียเนี่ยเราต้องมองหลายปัจจัยเนี่ยตมาก็ยกไหมเห็นเพียงบางอย่างว่าจุดสาคัญตัดสินสุดท้ายคือสงครามจากการ ทำลายของชาวมุสลิมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือความผูกกล่อนความโสมของพุทธศาสนาเองจากการที่เข้าไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูแล้วก็วัตปฏิบัตนะิการรู้เข้าใจและการประพฤติตามหลักคําสอนและความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธอันนี้ก็สำคัญมากพุทธบริษัท4ีนี่ไม่มีความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อการไม่ร่วมมือกันทาที่ควร นะเอาพุทธศาสนามาไว้กับพระฝ่ายเดียวเป็นต้นผลที่สุดก็เลยพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมไปวันนี้เรามาในสถานที่นี้คือมหาวิทยาลัยนารันทาก็โยมก็เท่ากับ ว, ว่าเรามาดูสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นเครื่องเตือนใจระลึกการเตือนใจระลึกก็ระลึกถึงหนึ่งความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นโดย อาศัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยนารันทานี้เป็นปัจจัยและพร้อมกันนั้นก็อีกด้านหนึ่งก็คือความเป็นมาที่มีความเสื่อมความเจริญจนกระทั่งมีความเจริญอย่างไรแล้วก็เสื่อมไปอย่างไรด้วยเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ได้สติปัญญาในการที่จะมารักษาพุทธศาสนาต่อไปคือเอาอาดีตเอามาเป็นบทเรียนสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เห็นที่นารันทานี้ ก็ไมาใช่แค่ว่ามาชื่นชมความเจริญในอดีตความยิ่งใหญ่ว่าโอ้นี่ต้องจะใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าต้องเจริญมากมายหนอแล้วก็จบเท่านั้นไม่พอต้องมองในแง่ว่าเออจะมาใช้ประโยชน์กับปัจจุบันอย่างไรนี่แหละจากที่อัตมากล่าวมานี่เป็นบทเรียนสําคัญที่เราจะมาใช้ประโยชน์ในการรักษาพุทธศาสนาในขณะ น, นี้ถ้าหากว่าประโยชน์นี้ไม่สามารถโยงมาสู่ปัจจุบันได้ประโยชน์นั้นก็น้อยคุณค่าในการมานี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นั้นก็ขอให้โยมได้ ประโยชน์จากที่อาตมาภาพได้เล่ามาให้ฟังนี้สําหรับวันนี้เวลาก็จํากัดท่านมหาบุญธรรมท่านก็เตือนแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาโยมอีกครั้งหนึ่งก็โยมมาที่นี่แล้วมาเห็นก็ได้อย่างที่กล่าวถ้ามองในแง่ของความเจริญในอดีตโยมก็ได้ปีติความินใจถ้ามองในแง่ถ้าอ้อมันหมดไปแล้วนี่เหลือแต่ซากโยมก็อาจจะสลดใจหดหู่ใจแต่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตาม ถ้าจะให้ได้ผลดีก็คือมันมากระตุน้นร้าใจเราว่าเออมันมีความเจริญอย่างนี้ในอดีตเราต้องทำใหม่ให้ได้ในในแง่ของความทำลายเสื่อมไปเราก็มาตื่นใจว่าเออเราต้องได้บทเรียนเอามาใช้ประโยชน์ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองประการแล้วเราก็มาช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีกาลังกายกาลังใจกาลังปัญญา ที่จะได้ช่วยกันปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเจริญงอกงามความดีความประเสริฐของชีวิตและก็ได้ช่วยกันดำรงรักษาพษษุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและชาวโลกตลอดไปชั่วการนานเทิน